สเพเฮระรำหกตอนคถาสามีรักโดยหัวใจมังกรเมื่อวานพี่สาวของฉันกลับมาเยี่ยมบ้านพี่แต่งงานออกไปแล้วห้าปีหล า, หลายเดือนจึงกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งกลับมาครั้งเนี้ยฉันนอนกอดหมอนคุยเรื่องความสุขกันระหว่างพี่สาวและน้องสาวคุยกับพี่ทั้งคืนพี่เล่าให้ฟังถึงการมีชีวิตครอบครัว ฉันรู้สึกถึงความสุขในน้ำเสียงของพี่สาวพี่เล่าให้ฟังถึงความอ่อนโยนจริงใจของพี่เขยและบอกว่าหากไม่ได้พบกับพี่เขยก็คงจะไม่มีความสุขเช่นนี้ฉันนึกถึงเมื่อก่อนตอนที่เราทั้งสองคนยังเป็นวัยรุ่นพี่ของฉันเป็นคนเงียบๆสักหน่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนักและไม่ค่อยกล้าแต่งตัวพี่บอกว่าไม่อยากให้ใครมาล้อเลียนว่าไม่สวยและยังแต่งตัวเก่งอีกซึ่งทาให้ฉันขา และยังตอบกลับไปว่าก็ยังดีกว่าเขาล้อเลียนว่าไม่สวยและยังไม่รู้จักแต่งตัวอีกตอนเนี้ยพี่สาวของฉันดูดีขึ้นมากหน้าตามีน้ำมีนวลดูมีสง่าราศีและมองผ่านผ่า น, านพอรู้ได้ว่าเป็นคนมีฐานะดีพี่บอกกับฉันว่าหากเมื่อไหร่ฉันแต่งงานก็คงจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนกับที่พี่เป็นเพราะพี่เคยได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับชีวิตของพี่ฉันฟังด้วยความปลาบปลื้มใจ แต่ก็อดน้อยใจในวาสนาตนเองไม่ได้เพราะยังไม่เคยเจอใครที่เรียกว่าลงล็อกสักทีพี่หันมาสบตาฉันและบอกว่าพี่มีเคล็ดลับจะบอกฉันดีใจและลุก ข, ขึ้นนั่งตาโตฟังพี่สาวอย่างตั้งใจพี่บอกกับฉันว่าเคล็ดลับนั้นง่ายๆจำไว้เพียงว่าเธอทำกับพ่อแม่อย่างไรคู่ครองจะทำแบบนั้นกับตัวเธอเมื่อก่อนตอนที่พี่ยังไม่ได้แต่งงาน พี่ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการงานดูแลยามเจ็บไข้พ่อแม่จะไปธุระที่ไหนจะขับรถไปรับไปส่งทั้งวันเกิดก็พาไปทำบุญส่งเสริมพ่อแม่ให้มีกำลังใจในชีวิตและมักชวนพูดคุยสนทนาธรรมให้พ่อแม่ทราบซึ้งในทางธรรมอีกด้วยต่อมาเมื่อพี่ต้องแต่งงานแยกบ้านออกไปพี่เขยก็ทาหน้าที่สามี แบบเดียวกับที่พี่ทำกับพ่อกับแม่รากับก๊อปปี้กันมามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พี่เล่าให้ฉันฟังเป็นสิ่งที่พี่เคยพูดเคยทำกับพ่อแม่มาจริงๆฉันเองก็ยังจำได้ฉันพอจะนึกออกว่าการทำดีกับพ่อแม่นั้นก่อให้เกิดเป็นกุศลที่มีอนุภาพมากขนาดไหนฉันนึกไปถึงเพื่อนของฉันสองคนคนหนึงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พูดจานุ่มนวลมีสัมมาคารวะ แม้แต่ฉันเองก็ยังชื่นชอบความน่ารักในกิริยาวาจาของเพื่อนคนนี้นักหนาไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแฟนของเธอจะคอยดูแลห่วงใ ย, ยอยู่ใกล้เธอไม่ห่างขนาดไหนแต่กับอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยปฏิบัติ ด, ดีกับพ่อแม่นักมักเถียงพ่อแม่คำไม่ตกฟากและไม่ค่อยอยู่บ้านเอาแต่เตลเตลเที่ยวห้างคนหลังเนี่ยเวลาพูดจามักชวนให้เพื่อนเบือนหน้าหนีเสมากกว่าบางครั้ง ฉันยังเสียดายความสวยของเธอเพราะมันเป็นความสวยแบบแห้งแล้งยังไงบอกไม่ถูกฉันเข้าใจในตอนนี้เองว่าการทำดีกับพ่อแม่นั้นเท่ากับเป็นการเลือกทางเดินของชีวิตอย่างหนึ่งเพราะพ่อแม่นั้นมีพระคุณเทียบเท่ากับพระอรหันต์ทีเดียวพระอรหันต์นั้นแม้เพียงคิดปรามา ท, ท่านในใจยังส่งผลรุนแรงหนักหนาหากถึงขั้นแปล่งวาจาพรุษวาสหรือทาร้ายท่าน ก็มีอันต้องตกนรกไม่ต้องคิดจะเกิดเป็นแน่และกับพ่อแม่ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์สำหรับลูกก็เช่นเดียวกันหากลูกคิดจะปฏิบัติกับพวกท่านอย่างไรก็ควรต้องระมัดระวังให้ดีฉันตั้งใจว่าตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปฉันจะปฏิบัติตัวกับพ่อแม่เสียใหม่ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะได้สามีดีๆหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันอาจจะหาความสุขแท้ในชีวิตไดจากการทาดีกับพ่อแม่นี่เอง พ่อแม่ของฉันคงไม่ต้องคิดถึงลูกสาวคนโตของท่านให้มากเกินไปอีกแล้วละ่ะเพราะฉันจะทำหน้าที่แทนพี่สาวของฉันเอง